ทรงอนุญาตให้ให้ผ้าแกโยมมารดาบิดาได้เรื่องจีวรเกิดขึ้นมาก361สมัยนั้นจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุรูปหนึ่งหลายผืนและภิกษุนั้นประสงค์จะให้ผ้านั้นแกมารดาบิดาภิกษุทั้งหลาย จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุให้ด้วยกล่าวว่าเป็นมารดาบิดาเราจะว่าอะไรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ให้แก่มารดาบิดา แต่ภิกษุไม่พึงทำศรัท ธ, ธาไทยให้ตกไปรูปใดทำให้ตกไปต้องอาบัตทุกกฏ